ิงเห็นแค่รูปกับนามนะเกิดดับเกิดดับไปอ๋อพอจริงๆเแค่นั้นะเมื่อวานที่ครูบาเล่าเมื่อฟังหลวงพ่อสอนกรรมาฐานคนเยอะแยะเวลามาถามแต่ละคนต่างกันมากมายคนนี้อย่างนี้คนนี้อย่างนี้อะไรบาบ้านึกขึ้นว่าเอ๊ะทำไมการปฏิบัติมันเยอะนัก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 ปิจิญญานเนี่ยก็คือการปฏิบัติเสร็จแล้วรู้ทุกแล้วละสมุทัยแล้วแจ้งนิโรธแล้วเจริญมรรคเสร็จแล้วเป็นกัตยานญาณสุดท้ายทํางานเสร็จแล้วบอกนี่คือปฏิเวทแกเก่งนะแกะแจกแจงอริยสัจนะลงในญาณทั้ง3านะลงในปริยัตปฏิบัติปฏิเวทได้แจกแจงได้น่าฟังนะคือถ้าใจ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 มันเข้าใจแล้วมันก็เลยรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะก็หลังจากเจอท่านที่เบอิกราสองสามปีก็นำของท่านไปปฏิบัติแต่มันก็ยังหลงแล้วคิดอยู่เรื่อยกระทบเรื่องงานอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแต่พ อ, อได้พบหลวงพ่อ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 นี่หลังมันก็เข้าใจนะเออใหม่ๆก็ลําบากหน่อยศีลจําเป็นนะสินจําเป็นคนไหนถือสีลได้มีเครดิตในตัวเองนะอย่างคุยกับลูกค้าแล้วบอกทําธุรกิจกับคนมีศีลมันสบายใจได้นะอย่างเงี้ยเขาก็เชื่อเราง่ายเผือเราทุ่มสนะก็โกงเขาได้ง่ายนะแต่อย่าไปโกงเขานะ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 ยมก็คิดอย่างนั้นนะเจ้าก่ะโอเคนะแล้วก็ <Yeah. S 2> ดูไปเรื่อยๆใช่มั้ย <Okay. S 2> ดูไปเรื่อยๆเลยนะดูไปเรื okay. นะ่อยเขียนนะอาเชิญยมกลับบ้านได้